การที่พวกเราได้มานับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของพวกเราถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะการนับถือพระพุทธศาสนานี้ทำให้เราได้มี ครูบาจารย์ที่เก่งการที่มีความรู้ที่ไม่มีใครในโลกนี้รู้กันต่อให้ไปเรียนจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกหรือไปศึกษาจากศาสนาอื่นเราก็จะได้เราก็จะไม่ได้ความรู้ ที่เราจะได้จากพระพุทธศาสนาความรู้ที่พระพุทธศาสนาจะให้กับพวกเรานี้เรียกว่าโลกุตรธรรมหรือโลกุตรวิชาส่วนความรู้ที่เราจะได้เรียนรู้จากสถาบันการศึกษาต่างๆหรือจากศาสนาอื่นๆ เราจะได้โ ล, โลกิยาวิชาโลกุตระวิชากับโลกิยะวิชาต่างกันอย่างไรโลกุตโลกิยะวิชาเป็นวิชาที่ทําให้เรายังต้องติดอยู่ในตายภพอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดของสังสารวัฏ ส, ส่วนโลกุตระวิชา เป็นวิชาที่จะพาให้เราได้หลุดออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดของใต่ภพของสังสารวัฏนั่นเองนี่คือข้อแตกต่างระหว่างความรู้หรือวิชาความรู้ที่มีอยู่ในโลกนี้ จะแบ่งไว้เป็นสองระดับด้วยกันคือร ะ, ระดับโลกิยวิชาและโลกุตระวิชาโลกุตระแปลว่าเหนือโลกิยนั่นเองสูงกว่าโลกิยโลกิยนี่ไม่สามารถพาให้ผู้ศึกษาลํำเรียนหลุดออกจาก โลกของการเวียนว่ายตายเกิดได้โลกของตายพบคือการมาพบรูปพบและอรูปพบเรียกว่าสังสารวัตเพราะว่าไม่ว่าจะไปเกิดในพบไหนเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการสิ้นสุดลง เกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวก็ต้องตายเกิดเป็นเทวดาก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เกิดเป็นพรหมก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ก็จะติดอยู่กับตายพบสามพบี้กามะพบก็คือพบของมนุษย์ของเทวดา ของผู้ที่เสพกาม ร, รวมไปถึงพวกเดลฉานพวกเปรตพวกอสุรกายพวกนรกนี่อยู่ในการมาพบกบพบที่ยังต้องเสพ ร, รูปเสียงกิจลดต่างๆเยอะส่วนรูปภพกับอรูปภพเป็นภพของผู้ที่เสพ ร, รูปประชานกับอรูปประชานคือสมาธิ ขั้นต่างๆนั่นเองพวกนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดออกจากการติดอยู่ในไตรภพในสามภพนี้ได้ไม่ว่าจะได้ภพไหนเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายของมนุษย์ใหม่มี ผู้ที่ได้ศึกษาโล ก, กุตละวิชาเท่านั้นที่จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้ได้นผู้ที่จะหลุดออกได้ต้องเป็นผู้ที่ได้ศึกษาจากพระพุทธศาสนาคือจากพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์นี่เองน พระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้านี้เป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะให้โลกโลกุตระวิชาต่อผู้ที่มาศึกษาถ้าไปศึกษาที่อื่นจะไม่มีโลกุตระวิชา มีแต่โลกิยะวิชาไม่จะไม่ว่าจะเป็นวิชาแขนงใดในโลกนี้ถือว่าเป็นโลกิยะวิชาทั้งหมดเรียนวิทยาศาสตร์ก็เป็นโลกิยะวิชาเรียนศึกษาศาสตร์เรียนอักษรศึกษาอักษรศาสตร์เรียนบัญชีเรียนพาณิชย์เรียนธุรกิจเรียนวิศวกรรม เรียนคณิตศาสตร์เรียนเคมีวิชาเหล่านี้ไม่สามารถทำให้ผู้ได้เรียนรู้หลุดออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดได้ออกจากตายพบได้ต้องไปเรียนโล ก, กุตลรวิชาโล ก, กุตละวิชานี้เป็นเป็นวิชาที่พระพุทธเจ้า เป็นผู้ทรงค้นพบขึ้นมาเรียกว่าตัดสรุปการตัดสรุของพระพุทธเจ้าก็คือการตัดสรุวิชโลกีโลกุตระวิชานี้เองได้ท่งค้นพบวิธีวิชาความรู้ที่จะทำให้ผู้รู้นี้สามารถออกจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ผู้ที่มานับถือพระพุทธศาสนาก็คือเหมือนกับนักเรียนที่มาเรียนหนังสือจากพระพุทธธรรมหรือพระสงฆ์นั่นเองนีถ้านับถือพระพุทธศาสนาแล้วไม่มาศึกษาพระธรรมคาสัง่งคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นนักเรียนที่หนีเรียนนักเรียนที่หนีเรียนนี้ก็จะเรียนไม่จบ จะไม่ได้รับประโยชน์จากการมานับถือพระพุทธศาสนาต้องศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติถึงจะสามารถได้โลกุตราวิชาได้ความรู้ที่จะพาให้หลุดออกจากกองทุกข์ ของไตรภพได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพได้ผู้ที่ศึกษาแล้วก็จะสามารถที่จะหลุดออกจากไตรภพได้การหลุดออกก็จะออกเป็นขั้นไปเหมือนขั้นปริญญาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็จะมี แบ่งขั้นศึกษาเป็นสามขั้นขั้นปริญญาตรีโทเอกเนี่ยเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งกว้างขวางขึ้นไปตามลำดับเป็นความรู้ในขนงเดียวกันเช่นวิทยาศาสต ร, ร์ก็มีปริญญาตรีวิทยาศาสต ร, ร์ปริญญาโทรปริญญาเอกทางวิทยาศาสต ร, ร์ก็จะเรียนรู้มากขึ้นไปตามลำดับ ทางโลกุตระวิชาก็มีการแบ่งขั้นของโลกุตระวิชาไว้สขั้นด้วยกันเรียกว่าขั้นขั้นที่หนึ่งก็เรียกว่าโสดาบันขั้นที่สองก็เรียกว่าสกิดาคามีขั้นที่สามก็เรียกว่าอนาคามีขั้นที่สก็เรียกว่าอารหัน การบรรลุถึงขั้นต่างๆก็จะทำให้ผู้ที่บรรลุนั้นได้หลุดออกจากการติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดตามลำดับคือขั้นที่หนึ่งนี้ยังไม่ได้หลุดออกแบบสมบูรณ์ขั้นที่หนึ่งนี้สามารถทำให้การเวียนว่ายตายเกิดในกามาพบ ลดเหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากผู้ใดได้เรียนได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนบรรลุขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันจะกลับมาเกิดในกามมพบไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมากคือพบของมนุษย์หรือพบของเทวดาเท่านั้นจะไม่ไปเกิดในพบของสัตว์เดรัจฉานของเปรต ของอสุรกายหรือของนรกเนี่ยนี่คืออ น, นิสง์หรือผลที่จะได้รับจากการที่ได้ได้สำเร็จโลกโล ก, กุตรวิชาขั้นที่หนึ่งคือขั้นโสดาบันจะกลับมาเกิดในในการมาพบไม่เกินเจ็ดครั้งเป็นอย่างมาก ชสมมติว่าชาตินี้ได้เป็นพระโสดาบันตายไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินเจดชาติหรือเกิดเป็นเทวดามนุษย์หรือเทวดาไม่เกินเจดชาติก็จะสามารถยกระดับขึ้นสู่ขั้นที่สองได้ขั้นพระสกิฎารามีนีพอได้ขั้นพระสกิฎารามี การที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบคือพบของมนุษย์หรือเทวดานี้ก็จะลดเหลือเพียงหนึ่งชาติเท่านั้นกลับมาอีกครั้งเดียวก็จะก็จะไม่กลับมาอีกเพราะว่าจะบรรลุขั้นที่สามนั่นเองขั้นที่สามนี้คือขั้นพระอนาคามีพอบรรลุ ข, ขั้นพระอนาคามีแล้วนี้ จะไม่กลับมาเกิดในกมามภพอีกต่อไปแต่ยังจะไปเกิดในรูปภพหรืออารูปภพเนี่ยพระนาคามีนี้จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่กลับมาเกิดเป็นเทวดาแล้วจะเป็นพรหมอยู่ในรูปภพหรืออารูปภพแล้วก็จะบรรลุ ข, ขั้นที่สี่ในภพของภูมิในภพของพรหม ไม่ว่าจะเป็นรูปภพห ร, อ ร, รพือรูปภพอรูปภพก็ตามก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นขั้นที่สี่พอได้บรรลุ ข, ขั้นที่สี่ก็หลุดออกใจเอาหลุดออกจากใจภพได้อย่างสมบูรณ์ออกจากรูปภพออกจากอรูปภพกามาภพนี้ออกมาแล้วขั้นโสขั้น กา น, นาคามีนี้ออกจากการมาพบอย่างสิ้นเชิงไม่กลับไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่กลับไปเกิดเป็นเทวดาอีกต่อไปแต่ยังยังเป็นพรอมอยู่ไปจนกว่าจะสามารถบรรลุขั้นที่สี่ได้คือขั้นพระอรหันต์ขั้นพระอรหันต์พระอนาคามีนี้ท่านจะไปอยู่สวรรค์ชั้นสุดทาวาส มีอยู่ห้าชั้นด้วยกันอันนี้ในตำราท่านแสดงไว้ว่าอยู่ในรูปภพเยนะนยจะแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในขณะที่อยู่ในสวรรค์ชั้นสุดทาวารพอได้เป็นพระอาหารหันต์ก็จะออกจากสวรรค์ชั้นสุดาวารเพื่อเข้าสู่พระนิพพานไปเี่ยพระนิพพานนี้ ยึงถือว่าเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดเพราะเป็นสวรรค์ชั้นเดียวที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไม่มีความทุกข์ไม่มีความเสื่อมตามมานั่นเองสวรรค์ชั้นพรหมยังมีความเสื่อมยังมีความทุกข์ตามมาเวลาเสื่อมจากพรหมไปเป็นเทพก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาสวรรค์ชั้นเทพก็มีความทุกข์เพราะ เวลาเสื่อมจากชั้นเทพก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาเจอความเสื่อมของการเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ในตายภพนี้จึงถือว่ายังมีความทุกข์อยู่แม้ว่าจะเป็นความทุกข์มากหรือน้อยก็ตามก็ยังมีความทุกข์อยู่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังต้องกลับขึ้นขึ้ น, น, นลงลงอยู่ระหว่าง การเป็นมนุษย์สู่การเป็นเทวดาสู่การเป็นพรหมอยู่มีการขึ้นขึ้นลงลงเหล่านี้ไปเรื่อยๆแต่พอได้ขั้นของพระอรหันต์แล้วก็จะไปที่นิพพานไปอยู่ที่นิพพานแทนที่ไม่มีความเสื่อม นิพพานนี้พอได้นิพพานแล้วไม่เสื่อมไม่ลดลงมาจากพระนรหัน์จะไม่ลดลงมาเป็นพระสกิรพระอนาคามีจากพระอนาคามีจะไม่มาเป็นพระสกิิดาคามีจากพระสกิิดาคามีจะไม่มาเป็นพระพระโสดาบันแล้วจากพระโสดาบันจะไม่กลับมาเป็นปุถุชนนีพอเริ่มเข้าสู่ขั้นโล ก, กุตละแล้ว จะไม่ลดลงมามีแต่จะเพิ่มขึ้นไปสูงขึ้นไปพอเป็นโสดาบันแล้วถึงแม้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาก็ไม่ใช่เป็นมนุษย์หรือเทวดาที่เป็นปุถุชนเหมือนพวกเราหรอเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาที่เป็นโสดาบันผู้ที่กําลังที่จะพัฒนาจิตใจ ให้ขึ้นสู่ขั้นที่สองคือขั้นพระสกิดาคามีนะพระสกิดาคามีเมื่อเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาก็จะไม่เสื่อมลงไปเป็นพระโสดาบันนะเพราะกำลังจะปฏิบัติกําลังปฏิบัติเพื่อให้ขึ้นสูงขึ้นให้ขึ้นสู่ขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามนะีและพระอนาคามี ก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาเกิดเป็นเทวดาจะไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็จะปฏิบัติต่อไปในฐานะของพรหมเพื่อตัดสังโยชน์ที่เหลืออยู่ให้หมดไปจากใจใจก็จะหลุดพ้นจากกองทุกของการเวียนว่ายตายเกิดได้ใจก็จะออกจากตายพบได้ ออกจากใจพบเพื่อเข้าสู่พระนิพพานนี่การไปบรรลุมรคนิพพานจึงแบ่งไว้เป็นขั้นขั้นมรซีผลซีนิพพานหนึกก่งมรกผลนี้เป็นสิ่งที่ไปคู่กันมรคือเหตุผลก็คื อ, ผ ล, คอผลก็คือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆนี่เรียกว่าผล แต่การจะบรรลุธรรมโลกละธรรมขั้นต่างๆได้ต้องเจริญมรรคของแต่ละขั้นไปก่อนขั้นของพระโสดาบันนี้จะต้องเจริญอะไรถึงจะทำให้เป็นพระโสดาบันได้การจะเป็นพระโสดาบันได้นี้ต้องมีศีลที่บริสุทธิ์อย่างน้อยก็ต้องเป็นศีลห้าแต่ถ้ามีศีลแปดก็จะดีจะทาให สำเร็จได้ง่ายกว่าและเร็วกว่าการมีศี่ห้านอกจากมีศี่ห้าแล้วก็ยังต้องมีสมาธิระดับอัปปนาสมาธิคือจิตต้องรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาและตั้งอยู่ได้ตลอดตั้งอยู่ได้นานขณะที่อยู่ในสมาธิและขณะที่ออกจากสมาธิมา ก็จะมีสติที่จะคอยรักษาหรือคอยสร้างอุเบกขาสร้างสมาธิให้กลับคืนมาใหม่เวลาอยู่ในสมาธิก็จะได้อุเบกขาได้สักตวารุได้ความสงบได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเวลาออกจากสมาธิมาก็จะมาเจริญปัญญาขั้นของพระโสดาบัน ปัญญาของขั้นพระโสดาบันคือการพิจารณาขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่เที่ยงว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนัตตาก็าจะสามารถที่จะปล่อยวางร่างกายปล่อยวางขันห้าได้ร่างกายก็คือปล่อยให้ร่างกาย เป็นไปตามเรื่องของมันเมื่อเราห้ามมันไม่ได้เราจะทำอย่างไรได้มีใครห้ามความแก่ได้หรือไม่มีใครห้ามความเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือไม่มีใครห้ามความตายได้หรือไม่การที่เราไปพยายามไปห้ามไปต่อสู้กับความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเป็นการผูกมัดใจให ติดอยู่กับขันห้าไปเรื่อยๆเพราะพอขันห้าคือร่างกายนี้ตายไปใจที่ยังถูกติดอยู่กับขันห้าอยู่ก็จะไปหาขันห้าอันใหม่มาไปหาร่างกายอันใหม่มามาอยู่ต่อไปเกิดใหม่นั่นเองสำหรับพระโสดาบันท่านเห็นว่าร่างกายนี้ มันไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเอีแล้วก็เห็นว่าถ้าถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะทำให้ใจทุกข์เนี่ยจะทำให้ใจติดอยู่กับขันธ์ห้าถ้าเห็นว่ามันเป็นอนัตตาไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศขั้นห้านี่เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราไปสั่งดินฟ้าอากาศไม่ได้ว่าวันนี้ฝนอย่าตกนะให้ไม่ตกพรุ่งนี้นะสั่งไม่ได้จะสั่งให้น่างกายวันนี้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้นะจะไปสั่งให้มันไม่ตายไม่ได้เห็นไหมคนบางคนไม่รู้ว่านี่จะตายเสื่อมทําไปอยู่ดีๆก็มีเหตุทำให้ตายได้ ฉะนพระโสดาบันจะรู้ว่าถ้าไปมีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีความอยากให้ร่างกายอยู่ไปตลอดนี่ก็จะทำให้ต้องทุกข์กับร่างกายเพราะมันเป็นไปไม่ได้แล้วจะทำให้ต้องมีความผูกมัดติดอยู่กับร่างกาย ร่างกายอันนี้ตายไปก็จะไปมีร่างกายอันใหม่ต่อไปแต่สําหรับพระโสดาบันนี้พอเห็นว่าเป็นตายรักษณแล้วก็จะไม่ไปผูกมัดไว้กับร่างกายเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะไม่เดือดร้อนใจจะไม่ทุกข์เพราะตัวที่ไปผูกมัดคือความอยากมันถูกตัดออกด้วยปัญญา ของพระขั้นพระโสดาบันปัญญาขั้นนี้จะเห็นว่าตายรักษณ<ม>เห็นว่าขันห้าเป็นตายรักษ<ม>เห็นว่าร่างกายเวทนานี้เป็นตายรักษเ<ม>วทนาก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายนี้ก็เป็นเวทนา<ม>ความแก่ความตายก็เป็นอนิจจ์เป็นของร่างกาย สรุปแล้วคือพระโสดาบันก็จะไม่ไปยุ่งกับความแก่ความเจ็บความตายเวลาผมหงอกก็ไม่ไปย้อมให้มันเสียเวลาเวลาหนังหย่อนหนังมีตำเนธ ต, ต่างๆก็ไม่ไปทำสัร ญ, ญากรรมให้มันเสียเวลา ทำไปไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็กลับมาหย่อนอีกเหมือนเดิมเดี๋ยวก็มีสิวมีฝ้ากลับขึ้นมาเหมือนเดิมเอตกละเหมือนเดิมเอเพราะร่างกายมันจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆตามการตามเวลาของมันผมมันก็จะงอกมากขึ้นแล้วก็จะร่วงมากขึ้นเเดี๋ยวก็หัวโลนกันเนี่ยผู้ชายนี่หัวโลนกันอนยะ่างนั้นผมมันร่วงผมมันอนิจจังไม่เที่ยง อนัตตาห้ามไม่ให้มันร่วงไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันไม่ร่วงก็ต้องไปหาวิธีเห็นไหมมีวิธีปลูกผมกันมีวิใช้น้ำยาชนิดต่างๆบำรุงผมไม่ให้มันร่วงไม่ให้มันงอกแต่ทำยังไงมันก็เพียงแต่ชะลอความความาชะลาท่านเฉลิลเรื่องผมหงอกผมร่วงท่านั้นเอง แต่ในที่สุดมันก็ต้องร่วงช่างทาผมเองก็ยังต้องร่วงเลยไปดูช่างทาผมบางคนหัวโน้นก็มีมันไม่ใช่ว่าจะรักษาได้อันนี้เป็นธรรมชาติของร่างกายเรียกว่าอนัตตาผู้ที่มีมรรคก็จะเลิกไปวุ่นวายกับเรื่องของร่างกายทำในส่วนที่ทำได้ก็คือเลี้ยงดูมันไปรักษามันไปตามอัตภาพ ตอนนี้มีผมเท่าไหร่ก็รักษามันไปมีผิวแบบไหนก็ดูแลมันไปตามอัตภาพแต่ก็รู้ว่าในที่สุดมันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงพอร่างกายไม่หายใจปับ๊บเนี่ยส่วนต่างๆของร่างกายก็จะเริ่มเน่าเปื่อยขึ้นมาพองขึ้นมา แล้วก็ส่งกลิ่นเหม้นแล้วก็มีน้ำชนิดต่างๆไหลออกมาจากร่างกายเพราะมันเป็นการแยกของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มารวมกันเพื่อมาสร้างร่างกายนี้พอ ร, ร่างกายหยุดทำงานปับธาตุทั้งสี่ที่ถูกถูกมาดึงมาให้รวมกันมันก็แยกกลับคืนสู่ที่เดิมของมัน ธาตุน้ําที่อยู่ในร่างกายก็จะกลับไปหาธาตุน้ําธาตุไฟที่มีอยู่ในร่างกายก็จะกลับไปหาธาตุไฟไปอยู่กับธาตุไฟธาตุลมที่อยู่ในร่างกายนี้ก็จะออกไปอยู่กับธาตุลมธาตุดินที่เหลืออยู่ในร่างกายก็จะกลับไปอยู่กับธาตุดินนี่คือการเจริญมรรคของขั้นโสดาบันเพื่อตัดสังโยชน์คือ สักกายทิฏฐิคือการเห็นการเห็นว่าขันห้าคือร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราปูตุชนทุกคนอย่างพวกเรานี้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราใช่ไหมแล้วก็รักมันหวงมันห่วงมันทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายของร่างกาย ทั้งๆ ท, ที่รู้ทั้งๆ ท, ท, ที่เห็นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ก็ไม่มีกําลังที่จะไปห้ามความรักความหวงได้เพราะไม่มีมรรคนั่นเองไม่มีปัญญาไม่เห็นโทษของการไปรักไปหวงร่างกายว่าทำให้ต้องทุกข์กันทุกวันนี้พวกเราทุกวันนี้ทุกข์กับเรื่องของร่างกายกันหรือเปล่าทุกข์กับเรื่องของร่างกาย พอร่างกายขาดอะไรหน่อยก็ทุกข์แล้วขาดน้ําก็ทุกข์แล้วขาดอาหารก็ทุกข์แล้วอย่าว่าแต่ขาดน้ําขาดอาหารเลยขาดของนอกร่างนอกของร่างกายยังทุกข์เลยขาดน้ําน้ำก๊อกไม่ไหลก็ทุกข์กันละไฟดับก็ทุกข์กันละเพราะเราอาศัยสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขกับเรานั่นเอง แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเนี่ยมีไฟไฟติดแล้วเดี๋ยวไฟก็ดับได้น้ําไหลแล้วเดี๋ยวน้ําก็หยุดไหลได้เห็นไหมพอในบ้านในเมืองนี่ถ้าไฟดับสักวันหนึ่งนี่โหยวุ่นวายกันทั้งบ้านทั้งเมืองถ้าน้ําไม่ไหลไฟดับนี่โหยไม่รู้จะอยู่กันยังไงนี่คือความ งอกเขาความที่มีแต่โลกิยาวิชาโลกิยาวิชานี้จะสอนให้พวกเราให้สร้างพวกของต่างๆมาให้ความสุขกับเราสร้างไฟายฟ้าสร้างน้ำประปาสร้างถนนสร้างอะไรต่างๆเพื่อมาให้ความสุขกับเราแต่ความสุขที่เราได้จากโลกิยาวิชาคือสิ่งที่เราสร้างนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราว พอมันเกิดหยุดไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นความทุกข์เข้ามากันเถอะไฟดับทีหนึง่งทุกข์กันทั้งบ้านทั้งเมืองอน้ําประปาไม่ไหลทุกข์กันทั้งบ้านทั้งเมืองเอนี่เป็นเพราะว่าเราไปเรียนโลกียาวิชากันเถ้าเราเรียนเรามาเรียนโลกุตลาวิชาพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ฝึกให้รักษาศีลกันเพื่อจะได้ไปฝึกสมาธิเอะ เพราะการฝึกสมาธินี้จะทำให้เราได้ความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไม่ต้องใช้น้ำไฟเป็นเครื่องมือเนี่ยภาาบนเขานี้เห็นไหท่านมาอยู่บนเขานี้ท่านมาฝึกสร้างความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิการทำใจให้สงบบนเขานี้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำปัะป่า น้ำก็รองน้ําฝนเอาหรืออาศัยรถบรรทุกน้ําบรรทุกน้ําขึ้นมาอาศัยเก็บไว้ในแทงไว้ใช้เนี่ยแต่เวลาไม่มีน้ําท่านก็ไม่เดือดร้อนเวลาไม่มีไฟฟ้าไฟฟ้าดับที่อื่นไฟฟ้าดับที่อื่นน้ําปะปาไม่ไหลบนนี้ก็ไม่เดือดร้อนถึงแม้บนนี้ไม่มีน้ําใช้ท่านก็ไม่เดือดร้อน ท่านก็เดินไปหาที่มีน้ำเนี่ยไปแหล่งน้ำที่ไหนอ่างน้ำตะน้ำที่ไหนก็ได้ช่วงที่ไม่มีท่านก็ไม่เดือดร้อนเพราะท่านมีความสุขทางใจท่านมีความสุขจากทางสมาธิอดได้ขาดน้ำไม่ได้ถ้าน้ำน้ำอาบนี้ขาดไปเป็นปีก็ได้ไม่เดือดร้อนถ้าน้ำดื่มก็ต้องมีตามความต้องการของร่างกายแต่ถ้าไม่มีจริงๆท่านก็ไม่เดือดร้อน ท่านก็รู้ว่าในที่สุดเดี๋ยวร่างกายมันก็ต้องตายท่านก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยผู้ที่ได้มาฝึกสมาธิแล้วจะไม่ค่อยเดือดร้อนกับเรื่องการทุกข์ยากลาบากของร่างกายนี่คือวิธีที่จะทำให้พวกเหล่านี้ไม่ต้องพึ่งร่างกายให้เรามารักษาศีลแล้วก็มาฝึกนั่งสมาธิกันทำใจให้สงบ พอใจสงบแล้วเราก็จะมีความสุขใจร่างกายจะไม่ได้กินข้าวจะไม่ได้ดื่มน้ำจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นอะไรนี้ใจจะไม่เดือดร้อนใจมีความสุขจากสมาธิแทนเนี่ยพอมีสมาธิแล้วเนี่ยถึงจะไปเจริญปัญญาได้ ไปสอนใจให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาต่อไปไม่ช้าก็เร็วจะอาศัยมันสร้างความสุขให้กับเราไม่ได้เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายตายพระโสดาบันพอพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่าพึ่งน่างกายไม่ได้ก็เลิกพึ่งมันไม่ไปหวังให้มันเป็นเครื่องมือสร้างความสุขต่อไป ใช้ความสงบเป็นที่พึ่งแทนใช้สมาธิแทนเวลาเกิดความอยากใช้ร่างกายไปหาความสุขอยากจะไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปอะไรต่างๆก็ตัดมันไปเสียพอตัดได้แล้วทีนี้มันก็ไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วใจไม่ต้องพึ่งร่างกาย ร่างกายแก่ก็ไม่ทุกข์ร่างกายเจ็บก็ไม่ทุกข์ร่างกายตายก็ไม่ทุกข์เนี่ยนี่แหละคือผลที่เกิดจากการเจริญมรรคคือปัญญาเนี่มรรคมีอยู่สามส่วนมีศีลสมาธิและปัญญาศีลและสมาธินี้เหมือนกันทุกขั้นทุกขั้นนี้จะต้องมีศีลที่บริสุทธิ์แล้วก็มีสมาธิระดับอัปปนาสมาธิ ถึงจะสามารถเจริญปัญญาของแต่ละขั้นได้ขั้นของพระโสดาบันก็ให้เจริญความไม่เที่ยงของขันห้าความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของขันห้าความไม่มีตัวตนของขันห้าเพื่อลักเพื่อละความหลงที่ไปเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราเป็นที่พึ่งของเรา อันนี้พอละได้แล้วทีนี้ก็ร่างกายจะเป็นอะไรไม่เดือดร้อนผู้ที่เป็นโสดาบันนี้จึงไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายนั่งสมาธิผ่านความเจ็บมาแล้วไม่เดือดร้อนรู้จักวิธีอยู่กับความเจ็บได้ไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายก็ไปเจอมาแล้วไปฝึกมาแล้ว ไปอยู่ที่น่ากลัวไปเจอสิงสาราสัตว์ต่างๆไปเจอผีเจออะไรต่างๆไม่กลัวปล่อยยอมให้มันยอมให้มันมาทำลายร่างกายถ้ามันอยากจะมาทำลายร่างกายก็ให้มันทำลายไปเพราะไม่มีใครมาทำลายมันก็ทำลายตัวมันเองอยู่ดีเห็นร่างกายของเราต่อให้ไปเก็บไว้ในตู้ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกนี้ก็ มันก็ต้องตายอยู่ดีอยู่ในวังก็มันก็ต้องตายใช่ไหมอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลมีรอปภคุ้มครองมันก็ต้องตายถ้ามันไม่ได้ตายจากสิ่งภายนอกมันก็ตายจากตัวมันเองนั่นแหละเพราะธรรมชาติของร่างกายมันจะต้องวิบัติมันจะต้องตายดังนั้นผู้ที่เห็นความจริงอันนี้แล้วจึงไม่ไปกังวลกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายปล่อยวาง ปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายปล่อยได้ต้องการจะปล่อยได้ต้องมีอัปปนาสมาธิใจต้องมีความสุขใจไม่ต้องพึ่งร่างกายจึงปล่อยได้ก็บรรลุปเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้นี่คือข้อที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งของการการศึกษาโลกุตรวิชา การสำลัดการสำเร็จวิชาขั้นที่หนึ่งก็คือต้องมีศีลสมาธิปัญญาที่มาละสักกายทิถิได้คือคือการไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเป็นที่พึ่งของเราเราพึ่งร่างกายไม่ได้เราต้องพึ่งมรรคเท่านั้นคือศีลสมาธิปัญญาเป็นที่พึ่งของเราเราจะไม่ทุกข์ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญา ในระดับของพระโสดาบันเราก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายแต่เรายังตัดการเกิดการกลับมาเกิดยังไม่ได้อยู่เพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ละความรักร่างกายของคนอื่นนั่นเองเรายังรักยังชอบร่างกายของผู้อื่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ตาม บางคนก็ชอบร่างกายผู้ชายบางคนก็ชอบร่างกายผู้หญิงเอรอจิตใ จ, จของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายถึงแม้มีร่างกายเป็นผู้ชายแต่ใจชอบผู้หญิง ถ, ถ้าใจชอบผู้ชายก็ยังชอบผู้ชายอยู่ถ้าใจชอบผู้หญิงถึงแม้จะมีร่างกายเป็นผู้หญิงก็ยังชอบผู้หญิงอยู่ there, before, <ๆ> ed, มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราจึงมีคนหลายประเภทไง คนที่มีร่างกายผู้หญิงชอบร่างกายผู้ชายก็มีคนที่มีร่างกายผู้หญิงชอบผู้หญิงก็มีใจมันไม่เหมือนกับมันมันไม่ตรงกับร่างกายเสมอไปคือส่วนใหญ่คนที่มีร่างกายของผู้หญิงนี้ใจจะชอบผู้ชายใช่แล้วใจที่มีร่างกายของผู้ชายก็ใจก็จะชอบผู้หญิง แต่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นของใจทุกดวงใจบางดวงนี้ชอบผู้ชายแต่ไปมีร่างกายของผู้ชายเข้าก็เลยแปลกจากคนทั่วไปเพราะคนที่มีร่างกายผู้หญิงนี้ส่วนใหญ่จะไปชอบร่างกายของของผู้ชายคนที่มีร่างกายของผู้ชายก็จะไปชอบร่างกายของผู้หญิงแต่ใจของคนบางคนนี้ มันชอบผู้ชายแต่มันไปได้ร่่งกายของผู้ชายซึ่งควรจะชอบผู้หญิงแต่มันไม่ชอบจะทำยังไงเพราะผู้ที่ชอบไม่ใช่ร่างกายเป็นผู้ที่ชอบผู้ที่ชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายนี้ไม่ใช่ที่ร่างกายอยู่ที่ใจของผู้ที่ชอบความชอบหญิงหรือชอบใจชอบชายนี้อยู่ในอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราจึงมี เพศที่ไม่เหมือนที่ไม่เหมือนธรรมดาเหมือนปกติทั่วไปก็ <c oughs> เรียกว่าเพศสามใช่ไหม <c oughs> ธรรมดาทั่วไปเขาจะมีสองสองประเภทเพศหญิงกับเพศชาย <c oughs> เพศหญิงธรรมดาปกติก็จะมีจะมีใจที่ชอบผู้ชายเพศชายก็จะมีใจที่ชอบผู้หญิงทีนี้ใจบางดวงนี่บันไปได้สลับกัน เคอใจชอบผู้ชายซึ่งควรจะไปได้ร่างกายของผู้หญิงกลับไปได้ร่างกายของผู้ชายเข้าเท่านั้นเองแต่ใจก็เหมือนกันอ่ะก็เหมือนกับใจของผู้หญิงที่ชอบผู้ชายเพียงแต่ว่าใจที่ชอบผู้ชายนี้ไม่ได้ร่างกายของผู้หญิงไปได้ร่างกายของผู้ชายเข้าเท่านั้นเองใ น, ในสายตาของคนทางโลกก็เลยหาว่าไม่ปกติแต่ถ้ามองตาม ตามธรรมาแล้วเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของใจก็ใจมันชอบผู้ชายจะไปให้มันชอบผู้หญิงได้ยังไงเพียง mm hmm. แต่ว่ามันไปได้ร่างกายของผู้ชายเขาเท่านั้นเองดัง mm hmm. นั้นบางทีคนเราไปบังคับใจของคนไม่ได้หรอกคนที่เขามีร่างกายเป็นผู้หญิงนี้จะไปบังคับให้เขาชอบผู้ชาย mm hmm. ก็ไม่ได้เพราะบางทีใจเขาไม่ชอบผู้ชายเขามี คนที่มีร่างกายของผู้ชายจะไปบังคับให้เขาชอบผู้ผู้หญิงก็ไม่ได้เพราะใจของเขาเคยชอบผู้ชายมาก่อนเนี่ยเขาก็ชอบของเขาอยู่เหมือนเดิม น, นี่คือเรื่องของใจที่พระโสดาบาลยังตัดไม่ได้คือเรื่องการไปชอบร่างกายของผู้อื่นอยู่พอเห็นร่างกายของผู้อื่นถูกใจเข้าสวยงามเข้าก็หลงรักขึ้นมาทันที อันนี้แหละทำไมจึงทำให้พระสวัสดาบาลยังต้องกลับมาเกิดเอกเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็เพราะว่าอย่างตัดความรักความชอบในร่างกายของผู้อื่นไม่ได้ผู้ที่ต้องการจะตัดการรักการชอบของร่างกายของผู้อื่นก็ต้องมาเจริญปัญญาของขั้นพระสะกิทาคามีเจริญมรรคของขั้นภระสะกิทาคามีศีล ส, สมาธิเหมือนกัน ศีลสมาธิของโสดาบันกับของสกิราคามีอันเดียวกัน mm hmm. นะคือรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดขึ้นไปแล้วก็มานั่งสมาธิทําใจให้สงบเหมือนกันซึ่งทํามาได้แล้วตั้งแต่เป็นขั้นโสดาบันแล้วทีนี้เพียงแต่ไม่มีปัญญาขั้นสกิรดาคามีขั้นสกิรดาคามีนี้ปัญญาเป็นอย่างไร mm hmm. ก็ต้องมา ดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนเหรียญสองด้านมันมีทั้งหัวมีทั้งก้อยมีทั้งด้านที่สวยกับด้านที่ไม่สวยแต่ส่วนใหญ่เรามักจะเอาด้านที่สวยมาโชว์กันใช่ไหมเวลาออกนอกบ้านนี่โอ้ยแต่งหน้าทาปากทำเเผ้าทำผมใส่ชุดอะไรเห็นแล้วโอ้ยน้ำลายไหล แต่่ไม่ดูเวลาที่ตื่นขึ้นมาเป็นยังไงเวลาที่ผมยุ่งเวลาที่ขี้ตายังติดตาอยู่เวลาปากขี้ฟันยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้สีฟันส่งกลิ่นเหม็นออกมาอ่านี่คือส่วนที่เราต้องหัดมองกันมองส่วนมองเวลาที่ร่างกายมันไม่สวย ตอนที่ไม่ได้แต่งตัวแต่งหน้าทาปากไม่ได้วีเข้าวีผมเนี่ยตอนที่ตื่นนอนมาใหม่ๆหรือเวลานอนหลับก็ได้นอนหลับก็กลนครอกคล้อบางทีก็น้ำลายไหลายเยอะมออกมาทางปากหรือดูตอนเข้าห้องน้ําเวลาไปทายอุจจะละเวลาไปผายลมอ้าวนี่คือวิธีที่จะทําให้เอ่อ ไม่หลงรักใครต้องดูตอนที่มันไม่น่าดูเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่แต่งงานก็แล้วอยากกันก็พ่ออย่างเงี้ยพอไปอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้เห็นแต่เฉพาะตอนที่แต่งหน้าทาปากเวลาไปอยู่ด้วยกันมันต้องนอนด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันข้าวห้องน้ามันเดียวกันใช้อะไรยุดร่วมกันมันก็เห็นส่วนที่ไม่น่าดูขึ้นมาเนี่ย เห็นตอนนี่ตื่นขึ้นมาผมเผพ้ลกลุงลังไม่ได้หวีเห็นเวลาเวลาเอาผาเอาเอาแป้งอะไรมาโปะหน้ามารักษาผิวนี่เวลาโปะหน้ามีแต่หน้าเต็มไปด้วยแป้งสามีเห็นแล้วก็งงนี่เลอคือแฟนของเราถ้าเห็นบ่อยๆเขาก็เบื่อ ก็เลยนี่แหละถึงทำให้ไม่รักร่างกายขึ้นมาได้นะคือต้องดูด้านที่ไม่สวยงามของร่างกายถ้าดูแค่นี้ยังยังยังรักอยู่ก็ต้องมองลึกเข้าไปมองเข้าไปใต้ผิวหนังเลยใต้ผิวหนังที่นี้ก็มีอะไรให้ดูและก็มีโครงกระดูกให้เห็นแล้วสิทุกคนมีโครงกระดูกเนี่ยแต่ไม่มีใครมองเห็นกัน ประกวดนางงามจักราวาลก็คือประกวดโครงกระดูกนี่ดีแน่เองเพียงแต่เอาหนังไปหุ้มไว้เท่านั้นเองก็เลยเห็นว่าสวยว่างามแต่ถ้ามีตาเอ็กซเรดูเทหน่อยโอเห็นประกวดโครงกระดูกกันดีๆนี่เองนี่คือต้องดูลึกเข้าไปถึงจะทําให้เห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายต้องมองทะลุใต้ผิวหนังให้ได้ มองดูถ้ามองเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วก็จะเห็นโครงกระดูกเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆเห็นปอดเห็นหัวใจเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้นี่คือวิธีที่จะทำให้เราเกิดความเบื่อเลอกความไม่รักไม่ชอบร่างกายของคนอื่นได้ต้องพยายามมองให้เห็น ถ้าไม่เห็นก็ต้องไปดูเดี๋ยวนี้มีวิธีดูหลายแบบเดี๋ยวนี้ก็มีหนังสือถ่ายภาพมาให้ดูภาพคนตายภาพทำแหลกศพหรือภาพที่นักศึกษาเรียนทางด้านกายภาพของร่างกายก็มีภาพเขียนที่เหมือนจริงใหมาวาดให้เห็นว่าปอดมีลักษณะอย่างนี้ไตมีลักษณะอย่างนี้ลำไส้มีลักษณะอย่างนี้ กดอยู่ในท้องนี่เห็นหอยู่หน้าท้องเนี่ยเต็มไปหมดเลยลาไส้ไม่รู้ยาวกี่เมตรด้วยกันมีทั้งไส้น้อยไส้ใหญ่เนี่ยนี่คือวิธีของการที่จะลดความรักในร่างกายของผู้อื่นลงได้ถ้าทำได้บางครั้งบางคราวยังไม่ได้เห็นตลอดเวลาแต่เห็นบางเวลาก็จะทำให้ ความรักความชอบในร่างกายนี้เบาบางลงเพอเบาบางลงนี้ก็ถือว่าได้บรรลุขั้นที่สองคือขั้นพระสกิดาคามีคือบางเวลาก็ยังลืมบางเวลาก็นึกได้เวลาที่ลืมก็ยั ง, ลงหลงไหลยังชอบอยู่ เวลานึกขึ้นมาได้ว่าโอ้ยมันมีตับไตไตผงด้วยมันมีโครงกระดูกด้วยนะก็จะทําให้ความรักไข่ในตอนนั้นสยบตัวลงก็ทําแบบเบาบางลงยังไม่ได้ตัดแบบร้อยเซยังไม่ได้ทําให้ความลักไข่หายไปร้อยเอร์ซหายไปห้าบซนตคือบางเวลาก็เห็นบางเวลาก็ไม่เห็น เวลาที่เห็นส่วนไม่สวยงามของร่างกายความรักใคร่ก็หายไปเวลาที่ไม่เห็นก็ความรักใคร่ก็ยังโผล่ขึ้นมาได้อยู่เลยทําให้ยังต้องกลับมาเกิดเอกชาติหนึ่งเพราะยังตัดไม่ได้เด็ดขาดเนี่ยพวกนี้เป็นพวกที่มีเซ็กน้อยกับพวกโสดาบันเนียพวกโสดาบันนี่ยังเซ็คล้อยเปอร์เซนต์อยู่ยังชอบร้อยเปอร์เซนอยู่พวกสกิดาคามีนี่ ลดเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นตเหลือครึ่งหนึ่งก็จะทำให้ยังต้องกลับมาเกิดอกีกไม่เกินหนึ่งชาเป็นอย่างมากแต่ถ้าสามารถพิจารณาเห็นไม่สวยงามได้ตลอดเวลามองร่างกายของใครทีไรแม้แต่นางงามจักรวาลแม้แต่ดาราภาพยนตร์แม้แต่นางแบบต่างๆนายแบบต่างๆ ต่อให้ถอดร่างกายเปิดร่างกายให้เห็นมันก็ยังเห็นโครงกระดูกอย่างนั้นมันก็ยังเห็นตับไตไส้ภุงอย่างนั้นตอนนั้นความใข้ความรักในร่างกายของคนอื่นยังไม่มีอีกต่อไปตอนนั้นก็เรียกว่าสาเร็จขั้นที่สามขั้นปราอนาคามีคนที่เห็นอสุภะในร่างกายแล้วก็ไม่รู้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทาไมกลับมาเป็นเทวดามาเสพกามอีกทาไม พอภาพที่เห็นมันไม่ได้สวยงามเหมือนที่เคยเห็นแล้วมันเห็นเป็นอีกด้านหนึ่งแล้วเมื่อก่อนเห็นด้านสวยงามแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เห็นด้านสวยงามเสียแล้วมันเห็นแต่ด้านไม่สวยงามดูร่างกายใครที่ไายก็เห็นโครงกระดูกเห็นตับไตไส้พุงเห็นปอดเห็นหัวใจเห็นตับหรือเห็นซากศพเลยก็มีเห็นเป็นซากศพนอนขึ้นอืดสามวันเจ็ดวันเห็นเหลือแต่ โครงกระดูกหนังหุ้มหนังเหี่ยวแห้งไปหมดแนละ้วเหลือแต่โครงกระดูกนี่คือขั้นของผ้าอนาคามีถ้าลองเห็นร่างกายแบบนี้แล้วก็จะไม่มีวันที่จะกลับมาเกิดในกามมาพบอีกต่อไปจะไม่มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเพื่อมาเสพกามเหมือนเมื่อก่อนพอเสพไม่ลงแล้ว ของที่เคยเห็นน่ารักมันไม่น่ารักแล่ะอาหารที่เคยเห็นว่าน่ากินก็ไม่น่ากินทล่ะอาหารก็ต้องเห็นว่ามันเป็นโสโครกไปเป็นอุจจาระไปเนยถึงจะไม่มีความอยากกินอาหารอีกต่อไปทุกครั้งเวลาจะรับประทานอาหารพอนึกถึงอุจจาระมันก็ไม่อยากกินแล้วแต่ที่ยังต้องกินอยู่ก็เพราะว่ากินเพื่อเลี้ยงร่างกายแต่ไม่ได้กินเพื่อความสุขความสุขจากการกินเ คนที่มีความสุขจากการกินนี้จะไม่เห็นว่าอาหารที่กินนี้จะกลายเป็นอุจจาระใช่ไหมอาจจะเห็นว่าโอ้ยมันน่ากินน่าเห็นแล้วโอ้มีสีสันมีอะไรต่างๆน้าลายไหลเห็นไหมในเฟซบุ๊กนี่ถ่ายรูปอาหารกันมาแชร์กันเยอะแยะไปหมดทำไมไม่ถ่ายรูปอุจจาระมาแชร์กันบ้าง่ะ อ่ามันก็เป็นอาหารเหมือนกันไม่ใช่เหรออาหารอาหารใหม่กับอาหารเก่าไงอาหารใหม่ก็อาหารที่เราเห็นในจานนี่แหละอาหารเก่าก็ที่เห็นในซุ้มเนี่ยนะมันก็มาจากอาหารไม่ใช่เลยออุจจาระนี่มันมาจากอะไรถ้าเราไม่กินอาหารมันจะมีอุจจาระออกมาไหมไม่มีหรอกนี่คือเรื่องของพระอนาคามี แทนที่จะเห็นของน่ากินน่ารักกลับไปเห็นของไม่น่ากินไม่น่ารักก็เลยไม่รู้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาทําไมกลับมากินของที่ไม่น่ากินกลับกลับมาอยู่ของที่ไม่น่ารักกลับมาทําไมก็ไม่มีวันที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอีกต่อไปนี่แหละก็จะหลุดออกจากการมาพบไปอย่างเด็ดขาดไม่มีวันกลับขึ้นมาอีกต่อไป ยังไป ต, ติดอยู่ในสวรรค์ชั้นรูปภพอรูปภพอยู่เพราะพระอนาคามีนี้พอไม่ได้เสพกามก็ไปเสพความสงบแทนไปเสพความสุขที่เกิดจากความสงบของใจที่เกิดจากการตัดกามความอยากในกามไปได้ พอความอยากในกามคือกามตัณหาหายไปมันก็มีอีกสองอย่างที่ยังอยู่ในใจอยู่คือความอยากเสพรู ป, ร, ป, ปรูปประพบกับอรูปประพบรูปประชานกับอรูปประชานความอยากจะเสพรูปประชานก็เรียกว่าภาวะตัณหาความอยากจะเสพบรูปประชานก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาพอมาถึงขั้นนี้ก็ต้องมาพิ จ, จารณา ไอตัวรูปประชานกับรูปประชานนี่แหละเมื่อก่อนไม่ได้พิจารณามันเดี๋ยวนี้เมื่อมันต้องมาอาศัยมันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทีนี้มาเริ่มพิจารณาแล้วเมื่อก่อนนี้อาศัยมันเพียงบางครั้งบางคราวเพราะยังมีกามให้อาศัยอยู่ให้ความสุขได้ พอทิ้งการมาสุขไปแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ความสุขจากรูปฌานกับอรูปฌานพอมาสังเกตดูความสุขจากรูปฌานอรูปฌานมันก็ไม่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็เสื่อมอยู่ในฌานเดี๋ยวมันก็ออกมาต้องออกมาจากฌานพอออกมาจากฌานความสุขได้จากฌามันก็หายไปความรู้สึกทุกขหรือความรู้สึกที่ไม่มีความสุขก็ปรากฏขึ้นมาในใจ ก็ต้องมาพิจารณาว่าการไปพึ่งความสุขจากรูปประจานก็ทําให้เราทุกข์ได้เวลาที่มันเสื่อมเวลาที่ออกจากรูปประจานหรือจากอารูปประจานออกมาดังนั้นก็ต้องมาพิจารณาเรื่องของฌานในในจิตเรื่องของความสุขภายในจิตเมื่อเห็นว่าความสุขภายในจิตก็ยังไม่ยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนยังเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตายอยู่ ก็แสดงว่าพึ่งมันไม่ได้อาศัยมันไม่ได้อย่าไปติดกับความสุขที่ได้ภายในจิตเพราะยังเป็นความสุขปอมอยู่เป็นความสุขของฌานของรูปฌปานของเรารูปฌปานอยูอ่ก็ต้องอย่าไปเสพมันอย่าไปเข้าฌานไม่ต้องเข้าฌานอยู่แบบไม่มีความสุขจากรูปฌปานไปดีกว่าที่ไปติดเหมือนคนที่ติดยาเสพติดกับคนไม่ติดยาเสพติดนย ติดยาเสพติดนี่มันสุขกว่าตอนที่ได้เสพแต่พอเวลามันไม่ได้เสพมันทุกกว่าคนที่ไม่ได้ไม่ได้ติดเนี่ยอย่างถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปเสพรูปประชานะรูปปัจจานก็จะได้ไม่ทุกข์กับเวลาที่ชายมันเสื่อมนอกจากการไปติดในรูปประชานแล้วยังไปติดในความคิดเห็นว้ ยังมีตัวว่ายังเป็นตัวตนอยู่จิตนี้ยังคิดว่ายังเป็นตัวตนอยู่เป็นเราเป็นเขาอย <met> ู่ไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นว่าเขาสูงกว่าเราบ้างเขาต่ำกว่าเราบ้างเขาเท่าเราบ้างแต่นี้เป็นเป็นการเปรียบเทียบตามตามตามสมมติกันนายกนี้นายพลนี้สูงกว่านายพันนายพันนี้สูงกว่านายร้อยอันนี้เป็นสมมติเขาตั้งกันขึ้นมา ผู้ที่เป็นนายพลเป็นนายร้อยเป็นนายพันนี่ก็เป็นจิตเหมือนกันดังนั้นถ้าพิจารณาไปที่จิตแล้วก็จะรู้ว่าเป็นจิตเหมือนกันเป็นตัวรู้ตัวคิดเท่านั้นไม่ใช่ตัวตนนก็จะละอัตตาตัวตนได้แล้วก็ไปละตัวสุดท้ายที่ยังมีติดอยู่ในจิตก็คือตัวความอยากให้จิตมันสุขตลอดเวลาะ ความอยากให้ไม <ười> right, ่มีท th si ุกข์ความอยากพ้นทุกข์นี่ก็กลายเป็นตัวกิเลสขึ้นมาเพราฉะั้นต้องตัดความอยากให้พ้นทุกข์อยู่กับความทุกข์ถ้ามันมีถ้ายังมีความทุกข์อยู่ก็อยู่กับมันไปอย่าไปอยากให้มันไม่มีเพราะเราไปห้ามมันไม่ได้ความทุกข์ภายในจิตถ้ามันยังมีอยู่ก็ให้ปล่อยให้มันอยู่ไปอย่าไปอยากให้มันหายความอยากให้มันหายมันทาให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเป็นกิเลสขึ้นมา ทำให้จิตยังไม่หลุดพ้นยังติดอยู่ในยังติดอยู่ในรูปประพบอารูปประพบอยู่ถ้าไม่อยากจะติดก็ปล่อยมันไปมันจะทุกข์ก็ให้มันทุกข์ไปให้รู้ตามความเป็นจริงมันจะสุขก็ให้มันรู้มันตามความเป็นจริงไปแต่อย่าไปอยากให้มันสุขอย่างเดียวเพราะมันยังเป็นตายลักอยู่นั่นเองพอรู้ทันปับ๊บตัดความอยากได้ทีนี้ ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากหายไปหมดนะใจก็เลยไม่มีความทุกข์หลงเหลืออีกต่อไปใจก็เลยเป็นนิพพานขึ้นมาส่วนความสุขของฌานก็อยู่กับมันไปมีก็อยู่กับมันไปแต่ไม่ยึดไม่ติดมันจะสงบไม่สงบก็อยู่กับมันได้ตัวตนก็อยู่กับมันได้ตอนนี้รู้แล้วว่าตัวตนจริงๆมันไม่มี ตัวเราตัวเขาไม่มีตัวนายพลตัวนายร้อยตัวนายสิบนี่ไม่มีอันนี่เป็นตัวสมมุติเท่านั้นตัวที่แท้จริงก็คือตัวรู้ตัวคิดที่เหมือนกันหมดทุกคนนายพลก็มีตัวรู้ตัวคิดนายร้อยก็มีตัวรู้ตัวคิดนายสิบก็มีตัวรู้ตัวคิดเพียงแต่เราไปแปะป้ายว่าว่าตัวรู้ตัวคิดนี้เป็นนายพลตัวรู้ตัวคิดนี้เป็นนายร้อยเท่านั้นเองแต่ความเป็นจริงแล้วเหมือนกันหมดทุกคน เหมือนกันหมดทุกดวงก็เลยไม่มีการถือตัวอีกต่อไปไม่มีอัตราตัวตนอีกต่อไปแต่ก็ไม่ไปไม่ไปลบหลู่สมมุติเขายังมีนายพลอยู่ถ้าเราเป็นนายพันเราก็ยังต้องเป็นเป็นนายพันตามสมมุติไปแต่ภายในใจเรารู้ว่านายพลกับนายพันมันก็เหมือนกันเลยวะมันไม่ต่างกันมันมีตัวรู้ตัวคิดเป็นตัวรู้ตัวคิดเหมือนกัน คือสรุปแล้วก็คือเป็นตัวสแสดงเท่านั้นเองในพลในพันนี้ก็เป็นตัวแสดงเขาให้สแสดงเป็นนายพลก็สแสดงไปเขาให้สแสดงเป็นนายร้อยก็สแสดงไปเขาให้แสดงเป็นนายพันก็แสดงไปเท่านั้นเองแต่รู้ว่าเดี๋ยวพอพอละครเลิกก็กลับไปเป็นตัวธรรมดาเนี่ยเองเป็นตัวรู้ตัวคิดนี่ยพอตายไปตัวนายพลก็หมดไปนะพอตัวนายพันก็หมดไปแล้วพอไปเกิดใหม่ก็ไปได้สมมติอันใหม่ คราวหน้าอาจจะไปได้ในสิธแทนเป็นในผลก็ได้อันนี้ก็คือเรื่องของอัตตาตัวตนที่พระอนาคามีจะต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นเพียงสมมติเท่านั้นเองตัวจริงของแท้คือตัวรู้ตัวคิดเหมือนกันหมดทุกคนตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินลงมาถึงขอชานี่เป็นตัวรู้ตัวคิดเหมือนกันหมด มาต่างกันตรงที่ป้ายเขามาแปะให้ท่นเองพอมาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินก็เลยได้ไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อใช่พอมาเกิดเป็นเศรษฐีก็เลยเป็นลูกเศรษฐีไปท่านัเองแต่เป็นเพียงเหมือนตัวละครที่มาเล่นบทต่างๆเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวพอตายไปมันก็กลับไปเป็นตัวรู้ตัวคิดเท่านั้นเอง อันนี้คือเรื่องของการอสําสเร็จขั้นที่สี่คือขั้นพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ไม่ถือตัวไม่ติดความสุขในใจไม่มีความอยากให้ความทุกข์หายไปถ้ามีความทุกข์ก็อยู่กับมันไปไม่มีความอยากกับอะไรทั้งนั้นสักแต่ว่ารู้ไปตลอดเวลาใจก็เลยไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไปเพราะไม่มีความอยากให้ที่จะมาทําให้ใจทุกข์นั่นเอง ใจก็จะหลุดออกจากตายภพไปอย่างสมบูรณ์ไปอยู่ในพระนิพพานจนไม่มีวันสิ้นสุดนีพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้อยู่พี่พระนิพพานอยู่ตอนนี้แต่พวกเรานี้ยังอยู่ในตายภพต่อไปถ้าเรายังไม่มีโลกุตตรวิชาที่จะพาให้เราออกจากตายภพไปได้นี่คือเรื่องของโลกุตตรวิชาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสากหลังเอวาเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอ an ุทิตังปะฏิต um ังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตสัเพโุเรนโตสังกาปา จันโทปนาราโสยถามณีโชติอราโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อาพิวาทนสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาง่งช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะรู้อะไร ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากที่เลิกแล้วก็จะของดถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทางเ c e b o o k เข้ามา435ย t u b บ352วิทีอออนไลน์22รับฟังข้างบนนี้61คนรวมทั้งหมด870ครับ ถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามจากคุณโทนี่รูปภพซึ่งคือภพของพระโสดาบันและพระสกิดาคามีใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่ไม่ใช่ของข้านาคามีพระโสดาบันยังติดอยู่ในกามะภพอยู่ ครับแล้วก็อรูปภพคือภพของพระอนาคามีสารพระอนาคามียติดอยู่ในสองภพนี้รูปภพหรืออรูปภพนะคำถามจากคุณเพชรน้ำหนึ่งการมราคะในพระโสดาบันเหมือนกันกันกบการมราคะในปุถุชนหรือเปล่าครับและวิธีเปรียบเทียบอย่างไรครับเหมือนกันอันเดียวกันก็ปุถุชน ก็ยังชอบผู้หญิงผู้ชายอยู่พระโสดาบันก็ยังชอบผู้หญิงผู้ชายอยู่เหมือนเดิมคําถามจากคุณภัยเวลานั่งสมาธิชอบไอถ้าไม่ได้นั่งสมาธิก็ไม่เห็นไอเลยเป็นเพราะอะไรครับเพราะกิเลสเนี่ยกิเลสมันชอบมาขัดขวางเวลาจะทำสมาธินี่มีอุปสรรคต่างๆนานาเกิดขึ้นมาทันที คำถามจากคุณท็อปพระโซดาบันท่านจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดชีวิตเลยใช่ไหมครับเออท่านรักษาก่อนที่ท่านจะเป็นโซดาบันแล้วถึงจะเป็นโซดาบันได้ทีนี้เพียงแต่ตอนนั้นยังอาจจะล้มได้ถ้าเกิดมีอะไรมาลอใจเช่นไปเจอแฟนของคนอื่นเขายังชอบอาจจะไปเป็นชู้กับแฟนของคนอื่นได้อยู่ แต่พอเป็นโสดาบันแล้วถึงแม้จะชอบก็ไม่ทำล้ะหรือว่าผิดศีลไม่ทำโดยเด็ดขาดคำถามจากคุณพิทักษ์ตั้งแต่เริ่มฝึกเจริญสติภาวนาสังเกตตัวเองได้ว่าเวลาที่มีความสนใจในเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพต่างๆรู้สึกได้ว่าเราสามารถ เรียนรู้ได้อย่างเข้าใจอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่เคยคิดว่าเราจะเข้าใจหรือทําได้มาก่อนเช่นนี้ถือว่าผลจากการเจริญสติภาวนานั้นมีส่วนช่วยให้เราสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจไหมครับได้เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือนเดียวกันจะไปเรียนทางโลกก็ได้เรียนทางธรรมก็ได้ก็ต้องมีสติถึงจะเรียนได้ถ้าใจลอยไปลอยมามันก็ ดูหรือฟังเราไม่รู้เรื่องแต่ถ้ามันจดจอ่ออยู่กับเรื่องที่เราดูเรื่องที่เราฟังเพลงเรื่องเดียวมันก็จะเข้าใจได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วคาถามจากคุณจินคอปถ้าเราเห็นความเหี่ยวย่นเหี่ยวย่นตามการเวลาของแฟนอันนี้ถือว่าเป็นสกิทาคามิมักได้ไหมครับไม่รู้เหมือนกันถ้าโสดายังไม่ได้มันจะไปได้ น, นั้นได้ไหม มันต้องได้โสดาก่อนต้องเห็นว่าเดี๋ยวแฟนก็ต้องตายจากเราไปเป็นของเริ่มความแก่เข้ามาแล้วเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายแต่อันนี้ไม่ใช่หรอกมันต้องดูตัวเราดูว่าเราแก่เราเจ็บเราตายมากกว่าคำถามจากคุณภัยทูลตามพระวินัยพระสามารถเก็บ น้ำผลไม้ที่คันสดจากญาติโยมเก็บไว้ฉันได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพราะรุ่งขึ้นน้ำผลไม้อาจจะเสียได้แต่ผลไม้น้ำผลไม้กล่องที่สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่เสียง่ายตามพระวินยัยควรเก็บไว้กี่วันครับก็ควรจะทำตามพระวินยัยก็เก็บไว้แค่ชั่วข้ามคืนคืออย่ารับประเคนหมดถ้าเรารู้ว่าเราฉันไม่หมดวันนี้เราก็ให้ลูกศิษย์ประเคนเท่าที่เราต้องการจะฉัน ส่วนที่เรายังไม่ฉันเราก็อย่าไปรับประเขนรับไม่รับประเขนก็ฉันไม่ได้แต่เก็บไว้ได้แต่ถ้ารับประเขนแล้วเก็บไว้ไม่ได้ยันถ้าอยากจะ เ, เก็บไว้นานก็อย่ารับประเขนฝากลูกศิษย์ไว้ก่อนเ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาถวายใหม่วันนี้กูกินไม่ได้กูกินได้แค่นี้ฝากไว้ก่อนนะอย่าไปกินนะแล้วลุงเช้าก็บอกเฮ้ยต้องการน้ำส้มแล้ว เขาจะอมาให้ก็รับประเันชันได้วันต่อวันไปเมือนอาหารที่ใส่บาตรนี่ก็วันต่อวันไปไม่ไม่เก็บไว้ข้ามคืนญาติโยมถวายอาหารใส่บาตรมาฉันเสร็จก็จบไม่ไม่เก็บเอาไว้ยกให้คนอื่นไปส่วนพวกนี้ก็ค่อยไปว่ากันใหม่ คำถามจากคุณภัยทูลผมรักษาศีลภาวนาอยู่ที่บ้านอีกใจหนึ่งก็อยากทำบุญตักบาตรทุกวันแต่เมื่อออกจากบ้านไปแล้วกลับมาต้องเป็นสัญญาอารมณ์เกี่ยวกับสิ่งภายนอกจึงไม่ไปทำบุญบ่อยนักบางครั้งก็ฝากคนอื่นไปและออกนอกบ้านต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้นครับอย่างนี้ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิครับก็ถูกก็เนี่ยถ้าออกไปแล้วมันทาให้วุ่นวายใจก็ซิอยู่ข้างในดีกว่า อันนี้เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ในใจเราข้างนอกมันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เห็นถ้าไม่ออกไปได้อะดีอยู่ข้างในอ่ะดีถ้าภาวนาแล้วก็เรื่องทำบุญทำทานก็งดไว้ก่อนก็ได้หรือจะใส่กระปุกไว้ไว้เวลาที่เราออกไปข้างนอกไปวัดแล้วเราค่อยเอาไปทาทีเดียวกันก็ได้ อานนี้พักได้ถ้าเราไม่เอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มเราเก็บไว้เฉยๆนี่ไว้เราโอกาสที่เรามีโอกาสได้ทำบุญเราค่อยทำก็ได้ทำภาวนาไปก่อนอยู่ในบ้านรักษาใจให้สงบ คำถามจากคุณจตุพลเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วและมีหลักเกณฑ์อะไรยืนยันครับก็เราไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายถ้ายังไม่รู้ว่ากลัวแร้ไม่กลัวก็ไปหาที่น่ากลัวดูถ้ามันเป็นที่น่ากลัวถ้ายังกลัวก็ยังก็ยังกลัวตายเหรอ เจ็บก็นั่งให้มันเจ็บแล้วอย่าไปลุกมันอย่าไปขยับมันปล่อยมันเจ็บไปให้มันเกิดเองดับเองไปความเจ็บมันก็เหมือนเสียงเครื่องบินเมื่อกี้เนี่ยมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปมันไม่เจ็บไปตลอดเจ็บแล้วเดี๋ยวมันก็สงบตัวลงเราไม่ต้องไปทำอะไรเพียงแต่ทำใจให้อยู่กับมันให้ได้เท่านั้นเองต่อไปเราก็จะไม่กลัวความเจ็บ ถ้าความตายเรากลัวที่ไหนคิดว่าจะทําให้เราตายก็ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยกลัวผีจะมาทําให้เราตายก็ไปอยู่ในป่าชา้าหรือกลัวเสือก็ไปอยู่ในป่าดูะถ้ามันมาก็ดูสิว่ากลัวไหมมันจะกัดนี่ปล่อยให้มันกัดได้หรือเปล่าอถึงจะรู้จริงรู้ว่าภาพถึงต้องเป็นภาพป่ากันเนี่ยภาพบ้านไม่มีวันรู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่เรื่องจริงเพราะไม่ได้เห็นของจริงต้องเป็นภาพป่าไปอยู่ในป่า ในป่านี่มีของจริงให้พิสูตน์มีงูมีเสือมีแรดมีกระทิงมีหมีมีอะไระถึงจะรู้ว่ากลัวไม่กลัวที่นี่เมื่อก่อนก็มีหมีหลุดออกมาจากกองตัวหนึ่งมองพุนเปรี้ยนอยู่ในป่านี่โอ้ที่นี่ว่าออกจากกุฏินี่เหมมันมองซ้ายมองขวากลัวไม่กลัวก็ต้องระวังไว้ก่อนเลย คำถามจากคุณจอยหากเราอยู่ในสภาวะที่ใกล้กับความตายอย่างมากอย่างที่เคยเจอมาเครื่องบินตกหลุมอากาศแต่เหมือนเครื่องดิ่งลงไปเรื่อยๆใจหวิวเพราะเครื่องดิ่งลงและกระแทกแรงมากเสียงผู้คนหวีดร้องกลัวมากได้แต่นั่งนิ่งทำสมาธิเฝ้าดูลมหายใจแต่กลัวความตายในสภาพต่างๆก็แวบขึ้นมา แต่พอสุดท้ายใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงที่ต้องเผชิญกับความกลัวข้างในแต่ภายนอกไม่ได้กรีดร้อง<_ <p> _ <d ata> เพียงแต่นั่งหลับตาและฟังเสียงของผู้คนที่มีแต่ความกลัวเราควรทําอย่างไรดีคะหากเกิดเหตุการณ์ใกล้ตายแบบนี้ขอคําชี้แนะด้วยครับก็ปล่อยมันตายไปเลยยอมตายไปอย่าไปอยากให้มันอยู่อย่าไปอยากให้มันปลอดภัยอย่าอยากให้รอด อย่าอยากไปให้รอดตายยอมตายไปเลยมันจะได้หายกลัวตายถ้ายังอยากรอดตายอยู่ผานเหการนั้นไปมันก็ยังกลัวตายอยู่เพราะยังมันมันยังอยากอยู่อยู่อย่าไปอยากอยู่เมื่อถึงเวลาจะตายให้มันตายไปแต่เมื่อถึงเวลายังไม่ตายก็อย่าไปอยากตายเช่นไปฆ่าตัวตายก็ผิดเอไปต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตของตัวเองก็ผิดต้องเฉยเฉยไว้ เวลาจะตายก็ให้มันตายไปตรงไปก็เรียกว่าตรงอันนี้จังยอมตายคำถามจากผู้ฝากถามผมอยากรู้ว่าโสดาปฏิมักเป็นโล ก, กุตระหรือเปล่าครับก็ น, นั่นแหละโล ก, กุตระเเป็นเป็นมักยังไม่เป็นผลเป็นการขึ้นบันไดขึ้นสู่ขั้นโลก โลกุตละขั้นที่หนึ่งคือขั้นโสดาบันถ้าไม่มีบันไดก็ขึ้นไม่ได้ต้องมีมรรคก่อนถึงจะมีผลต้องพิจ า, ารณาไตรลักษณ์ในขันห้าก่อนถึงจะเป็นโสดาบันได้ถ้าโลกยะมรรคก็แค่ศีลสมาธิเท่านั้นเองพอขึ้นสู่ปัญญาแนละ้วถึงจะเป็นโลกุตละมรรคคำถามจากผู้ฝากถามขอ ทราบแนวทางการปฏิบัติแบบเจโตวิมุติและปัญญาวิมุติว่าเป็นอย่างไรครับมีความแตกต่างกันอย่างไรครับไม่ต่างกันละ ว, วิมุติทั้งสองต้งมีทั้งสมาธิและปัญญาถึงจะวิมุติได้หลุดพ้นได้เจโตนี่หมายถึงสมาธิปัญญาหมายถึงปัญญาอันนี้หมายถึงคนที่มีความเก่งทางด้านไหนเท่านั้นเอง คนบางคนเก่งทางด้านสมาธิได้สมาธิเกิ น, เ ก, นเกินเกินเกณฑ์ที่จาเป็นจะต้องมีคือได้สมาธิเกินเกิ น, เ ก, นเกินรูปเกินขั้นอัปปนาสมาธิไปได้ได้สมาธิในระดับอรูปปชาญอย่างนี้เป็นต้นหรือไปได้อ่เอาเรียกอะไร ด้วยสมาธิดูอุปจารสมาธิอันนี้เป็นพวกเก่งทางสมาธิแต่ก็ต้องมีปัญญาต้องเจริญไตรักเหมือนกันบางพวกนี้ไม่เก่งทางสมาธิเก่งทางปัญญาคือสมาธิก็ได้ได้แค่ปนาสมาธิแต่ปัญญานี่ฉลาดแหลมคมรู้ลึกรู้ ก, ก, กว้างกว่าคนธรรมดาทั่วไป รเรื่องที่ไม่ต้องรู้รู้เรื่องที่เกี่ยวกับที่ที่คนธรรมดาไม่รู้กันแต่ไม่เกี่ยวกับการที่จะทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคือเป็นพวกที่เก่งทางปัญญาอย่างพระสาริบุตรนี้ท่านเก่งทางปัญญาแต่ท่านไม่เก่งทางสมาธิส่วนพระโมคคัลลานี่เก่งทางด้านสมาธิแต่ไม่เก่งทางด้านปัญญา แต่มีปัญญาทำให้ตัดกิเลสได้พระสารีบุตรก็มีสมาธิเพื่อสนับสนุนปัญญาให้ตัดกิเลสได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าความชำนาญความเก่งไม่เท่ากับพระโมคคัลลาทางสมาธิความเก่งทางปัญญาของพระโมคคัลลาก็ไม่เท่ากับของพระสารีบุตรพระสาริบุตรนี่เก่งทางปัญญาแสดงธรรมเก่งพวกที่มีปัญญาวิมุต t ี้จะเป็นพวกที่จะแสดงธรรมได้อย่างกว้างขวาง พวกที่ได้เจโตวิมุต tn ี้จะไม่ค่อยแสดงธรรมเท่าไหร่อย่างหลวงปู่มั่นนี่เป็นปัญญาวิมุต tn ะหลวงปู่เสานี่เป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์มั่นเป็นทางเจโตวิมุตไม่ค่อยแสดงธรรมไม่มีปัญญาที่แสดงอย่างกว้างขวางอย่างลึกซึ้งเพียงแต่สอนแบบรวมๆวมอ่อศีล ส, สมาธิปัญญาน ะ, ะไปปฏิบัติกันแค่นี้ก็จบละ แต่ถ้าเป็นหลวงปู่มั่นท่านจะที่บายศีลมีอย่างไรมีกี่ข้อ ม, มีอยู่กี่ขั้นอยู่ระดับสมาธิมีอยู่กี่แบบปัญญามีอยู่กี่ขั้นปัญญามีสามขั้นมีสุตตามิยปัญญาจินตามิยปัญญาภาวนามยปัญญานี่คือเรียกพวกที่เป็นพวกปัญญาวิมุตเป็นพวกที่มีความเก่งทางด้านปัญญา ส่วนพวกที่เป็นเจตตวิมุตตินี่เป็นจะพวกที่เก่งทางด้านอภินิหารเนี่ยพวกเหาเหินเดินอากาศพวกเอพวกอ่านวารลจิตของผู้อื่นได้ญาติโยมกําลังคิดอะไรนี้รู้แล้วเนี่ยมาถึงไม่ต้องถามตอบไปก่อนออพวกที่มีตาทิพย์เห็นเลขเห็นหวยเห็นเบอร์เห็นกายทิพย์เห็นอะไรต่างๆเเห็นอดีตเห็นอนาคตอะไรพวกนี้นี่พวกนี้พวกเจโตวิมุตต์ เข้าใจหรื อ, อยังแต่การวิจาวิมุติจันจะหลุดพ้นได้มันต้องมีทั้งสมาธิทั้งปัญญาแต่มีใ น, ในขีแค่แค่ให้หลุดพ้นไม่ต้องมีเกินนั้นก็ได้อพวกที่จะวิมุติไม่จําเป็นจะต้องมีอุปจารสมาธิไม่จําเป็นจะต้องติดต่อเทวดาได้ขอให้มีอัปปนาสมาธิก็พอพวกที่ จะมีปัญญาก็ไม่ต้องมีปัญญาแบบแสดงทำอย่างรายละเอียดได้เพียงแต่ให้รู้ว่าศีลายนักเป็นยังไงท่านั้นก็พออริยสัจสีเป็นยังไงแค่นี้ก็พอคําถามจากคุณทัศนีถ้าอยากบรรลุเป็นพระโสดาบานันควรเน้นปฏิบัติในเรื่องใดครับและ ความอยากแบบนี้ถือว่าเป็นโลภไหมครับอ๋อเป็นมรรคความอยากเป็นพระอรยะนี่เป็นมรรคเป็นทางสู่การหลุดพ้น <c oughs> ไม่เป็นกิเลสก็ต้องเริ่มที่ศีลก่อนเริ่มรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์เนี่ยแล้วก็วันพระก็ถือศีลแปดแล้วก็ไปหัด น, นั่งสมาธิทาใจให้สงบเป็นอัปปนาสมาธิแล้วก็มาพิจารณาร่างกายขันห้าว่าเป็นไตรลักษณ์ตามลําดับแป <c oughs> คำถามจากคุณสุบินลูกฟังธรรมพระอาจารย์เทศเรื่องมีความสุขแบบไม่ต้องใช้ร่างกายคนที่ไม่ได้บรรลุธรรมจะสุขแบบไม่ใช้ร่างกายได้ไหมครับได้แต่เป็นแบบชั่วคราวเงก็แบบสมาธิความสมะความสุขจากสมาธิยังเป็นความสุขชั่วคราวอยู่ เวลาออกจากสมาธิความสุขนั้นก็จะจางหายไปแต่ถ้าไ ด, ดา้ได้ขั้นปัญญาแล้วก็จะรักษาความสุขที่ในขั้นของสมาธิกลายเป็นความสุขของขั้นพระอริยจเจ้าไปคำถามจากคุณโชค การละสังโย์ขั้นละเอียดข้อถือตัวถือตนโผล่เข้ามาให้เราทุกข์ในใจจริงๆแล้วให้เราไปละทีละข้อตามลำดับหรือพิจารณาละได้เลยควบคู่การปฏิบัติตอนนี้ไปเลยครับลวได้ก็ละเลยแต่มันยังไม่ได้ละอย่างถาวรจนกว่ามันจะถึงขั้นของมันข้าม ข, ขั้นก็ได้แต่มันยังไม่ได้แบบถาวรถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นตัวตนเราเป็นตัวรู้ตัวคิด ตัวเรานี่ร่างกายก็ไม่ใช่เราความรู้สึกว่าเราเป็นเราก็เป็นเพียงความรู้สึกไม่ใช่ตัวเราแค่เท่านั้นเรนรู้สึกว่าเราเป็นดีกว่าเขาเราเด่นกว่าเขาเราด้อยกว่าเขานี่ก็เป็นเพียงความคิดความรู้สึกเท่นั้นมันไม่ได้เป็นความจริงความจริงก็คือเหมือนกันทุกคนเป็นตัวรู้ตัวคิดเป็นดวงวิญญาณที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายพบนี้เหมือนกัน คำถามจากคุณไกลบ้านแฟนผมเป็นคนชอบทําทานมากๆครับบางครั้งเราเห็นว่ามากเกินไปเกินความจำเป็นเช่นซื้ออาหารถวายพระเยอะจนของเหลือซื้อของแพงๆมาเลี้ยงสุนัขที่บ้านผมรู้สึกเสียดายของควรห้ามแฟนไหมครับถ้าไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องห้ามเขาหรอกคือว่าเป็นการสร้างทานบารมีของเขาเขาไม่สูนเงินทางที่ทาบุญทาทานไม่สูญหาย เก็บไวต้ตอบไปใช้พบหน้าชาติหน้าได้ถ้าเก็บไว้เฉยๆไม่ใช้ตายไปเอาไปไม่ได้ต้องแปลงให้เป็นบุญไปเพรานั้นเห็นใครทําบุญอย่าไปอย่าไปห้ามควรจะโน้มนุ่นายโยงเลยเฮ้ยมากกว่านี้เอาให้หมดเลยครับเป็นพระเวศสันดอนเลยบุญนี้มีประโยชน์ต่อจิตใจอย่างมากเป็นเหมือนเงินทองที่มีประโยชน์กับกับเราเนี่ย เวลาได้เงินทางมาเท่าไหร่มีบอกว่ามากเกินไปหรือเปล่าพี่เนาะมากเกินไปแล้วพอแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไหมบุญก็อย่างนั้นเน่เวลาใครเขาทำบุญเนะ่ยยุบไปเลยเอาอีกนนี้เอามากกว่านี้ทำได้ท่านี้เองเหรอเอ <c oughs> อเออเอาให้มันหมดเลยพอตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่บุญ น, นี่เอาไปได้ แล้วมันจะแปลงเป็นเงินต่อไปในภพหน้าชาตินะจะไปเกิดเป็นลูกของคนรวยเป็นลูกเศรษฐีลูกพระเจ้าแผ่นดินเลแบบพระเวชสันดรเนี่ยนะคำถามจากคุณสยามพระอรหันต์บรรลุธรรมแล้วทำไมท่านยังทำความเพียร น, นั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ครับท่านเปลี่ยนวิยาบทเพื่อรักษาร่างกายไง ร่างกายก็ยังต้องออกกำลังกายยังต้องมีการดูแลอยู่ถ้าไม่มีแต่นั่งอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็พิการได้นั่งนานๆมันก็เมื่อยมันก็ต้องลุกขึ้นมาเดินเดินเมื่อยก็ลงมานอนวนไปเวียนมาอย่างนี้พอนอนมากๆก็ก็ขี้เกียจก็ก็ต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกายท่นก็มีการเลี้ยงดูร่างกายไปตามอัตภาพของมันเพราะ มันยังไม่ตายแล้วยังใช้มันเป็นประโยชน์ได้มันเป็นเอาธรรมะมาสอนผู้อื่นต่อไปได้ทดแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าที่ได้อุตส่าห์มอบธรรมะให้กับเรามาเมื่อเราได้ธรรมะแล้วเราก็มอบให้กับคนอื่นต่อไปเป็นการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และเป็นการทำประโยชน์ให้กับโลก เป็นการรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้แต่ถ้าทำไม่ได้ท่านก็ไม่ทำถ้าร่างกายไม่ไหวท่านก็ไม่ฝืนก็ปล่อยมันตายไปแต่ถ้ายังทำได้ก็ทำไปถ้าไม่ได้ทำเพื่อตอนเองทำหรือไม่ได้ทำก็เท่าเดิมทำหรับตนเองคือตอนมีประโยชน์สูงสุดแต่เปี่ยมอยู่ในหัวใจแล้วทำมากกว่านี้ก็ได้เท่าเดิมทำน้อยกว่านี้ก็ได้เท่าเดิมไม่ทำก็ได้เท่าเดิม แต่ที่ทำนี่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นประโยชน์ของศาสนาคำถามจากคุณสุวพัฒผู้ที่จะเป็นโสดาบันได้ต้องละสัญญน์ได้สามอย่างขอความเมตตาพระอาจารย์ให้ความกระจ่างด้วยครับก็ต้องละตัวนี้ก่อนเนี่ยตัวตัวสักกายทิฏฐิคือการถือตัวถือว่าขาน่าเป็นตัวเราของเราน่างกายเป็นตัวเราของเรา ถ้าละได้แล้วมันก็จะมีดวงตาเห็นธรรมมันก็จะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมันก็จะเห็นคุณค่าของการรักษาศรรีลว่าศีลนี่แหละเป็นที่จะคุ้มครองจิตใจไม่ให้ตกต่ํำก็จะไม่มีการไปทําพิธีอะไรต่างๆม่จะรักษาศีลเพียงอย่างเดียวจะเชื่อกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว ไม่ต้องไปทำบุญสะเาสดาะเคาะสะเดาะไม่ได้ถ้าทำบาปมาแล้วสะเดาะไม่ได้ต้องไปรับผลบาปถ้าไม่อยากจะรับผลบาปก็อย่าไปทำบาปเท่านั้นเองเนีย่ยงเชื่อในเรื่องศีลเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมยิ่งไม่ไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดพระอริยทุกลูกตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระละศีลพระตปรมากได้ พวกที่ยังมีศีลรัปตะคือพวกที่ยังไม่เห็นกฎแห่งกรรมยังคิดว่าทำบาปแล้วยังแก้ได้เวลาอยากจะได้อะไรทุกข์มากๆทนไม่ไหวต้องไปทำบาปก็กล้าทาไม่กลัวบาป พ, พวกนี้เป็นพวกที่ยังมียังไม่เห็นผลยังไม่เห็นคุณของศีลยังไม่เห็นกฎแห่งกรรมแต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วจะเห็นใจที่ไปทุกข์ไปร้อนเวลาที่มันไปทาบาปนั่นเอง มืนก็จะไม่ทําอีกต่อไปคําถามจากคุณจตุพลเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าพระรูปไหนเป็นพระอระหันครับก็เราต้องเป็นก่อนเลยถ้าเรายังไม่เป็นเราก็จะไปรู้คนไหนก็เป็นได้อย่างไรก็ต้องไปเป็นก่อนถ้าไม่เป็นก็เป็นเหมือนกับเป็นการ เฉย่เฉยๆท่านนี่เหมือนยังไม่ได้เป็นเห็นของจริงนะแต่ยังไม่เคยไปเชียงใหม่ก็ก็นึกไปในใจว่าเป็นเชียงใหม่ถ้าอยากจะรู้ว่าเชียงใหม่เป็นยังไงก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่พักดูเลยเดี๋ยวก็จะรู้เองว่าเชียงใหม่เป็นยังไง คำถามจากผู้ฝากถามอัธิจําเป็นไหมครับที่ต้องเอาไปลอยอังคารถ้าเราสามารถเก็บไว้ได้เราเก็บไว้โดยไม่ต้องเอาไปลอยอังคารได้ไหมครับทำยังไนก็ได้มันก็เป็นดินนะนี่มั น, เ ป, น, เ, ปนเป็นท่านดินอย่างของแม่ของน้องตามหาบัวท่านก็อาไปลอยไว้ใต้โค น, นต้นโพเป็นเป็นปุ๋ยไปบางคนก็ไปลอยทะเลลอย มันเป็นใบทิ้งอ่ะพูดง่ายๆแต่เพื่อพูดได้มันสวยงามหน่อยนั้นมัไปลอยอังคงลอยอังคานมันก็เป็นเศษขยะไปแล้วร่างกายก็เป็นเหมือนขยะกองหนึ่งตายไปแล้วเผาแล้วมันก็ยังเหลือขี้เถ้าอยู่นะี่ไม่รู้จะไปทําอะไรกับขี้เถ้าในฐานะเป็นขี้เถ้าของคนที่เราเคารพก็เลยต้องหาวิธี เก็บไว้ให้มันเหมาะสมบางทีก็ไปทําเจดีบางทีก็ไปอาตามวัดต่างๆบางทกีก็มีช่องเก็บอัฐิให้ไปเก็บบางวัดเขาก็สร้างเป็นวิธีล่อม เ, เงินมาสร้างกุฏิการสร้างกุฏิก็จะมีช่องเก็บกระดูกให้บนเขานี่มีกุฏิหนึ่งมีอยู่9้าช่องด้วยกัน ทำเผื่อไว้เลยทำเผื่อทำพ่อแม่แล้วทำเผื่อตัวเองทำเผื่อลูกหลานไปในตัวเวลาใครตายก็เอามาเก็บมีที่เก็บเท่นั้นเองจะเก็บไม่เก็บจะไปทิ้งในทะเลจะไปลอยไปทิ้งในป่าที่ไหนมันก็เป็นดินเหมือนกันเท่านั้นแหะมันไม่ได้เป็นคนแล้วไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องแล้วเียงแต่สัญญาความจําของเรายังไปจําว่า น, นี่เป็นของพ่อของแม่เท่านั้นเองคำถามจาก คุณไข่มุกหนูตั้งใจถือศีลข้อปานาติบาตแต่ต้องทำความสะอาดบ้านบางทีก็ไปโดนมดมแมลงบ้างศีลจะขาดไหมครับถ้าหากไม่มีเจตนาถ้าไม่มีเจตนาไม่เห็นถ้าเห็นก็ต้องเลี่ยงถ้าไล่มันได้ก็ไล่มันไปกว่าดมันไปก่อนแล้วค่อยทำความสะอาดถ้าไม่เช่นนั้นก็ข้ามช่วงนั้นไปก่อนคาถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เมื่อจิตสงบมีความแยบคายละเอียดละออไหมครับหรือว่าโล่งเบาสบายอย่างเดียวครับถ้ามันสุขมันสบายมันมีมันมองโลกอีกมุมหนึ่งมองโลกจากมุมของความสุขมันก็เลยมีความเมตตามีอะไรสงสารต่อผู้อื่นเวลาเห็นใครเขาทุกข์ก็สงสารเขาเวลาเขาไม่มีความสุขก็อยากจะให้เขามีความสุขว่ามีความสุขอย่างเราแล้วมันมีความสุข ก่นเราจะเปลี่ยนทัศนคติถ้ามีความทุกข์เราก็จะมองโลกอีกมุมหนึ่งมองใครก็อิจฉาลิษยาเข้าไปหมดอันนั้นมันรวยกว่ากูมันเก่งกว่ากูใช่ไหทำนองนั้นแต่ถ้าใจสงบมีความสุขลรวก็จะอิ่มจะพอจะไม่อิจฉาไม่ลิษยาไม่อยากจะได้อะไรของใครไม่อยากจะมีอะไรมีแต่อยากจะให้ของที่เรามีอยู่เราไม่ใช้ก็อยากจะยกให้คนอื่นไป คำถามจากคุณไพฑูรย์หลวงตามหาบัวท่านทำโยคะบริหารร่างกายอย่างไรครับท่านก็ยืดเสน้นยืดสายกมหัวก้มหนังกมหน้าอะไรของท่านไปแว่งแว่งแขนแกว่งเท้าอะไรของท่านไปเดินจงกรมไปบางทีก็มีลูกศิษย์มาจับนวดเส้นให้ไปตามแล้วแต่ความความเหมาะสมความต้องการของร่างกายก็ทำไปเพื่อให้ร่างกายมันจะได้ใช้งานได้ไปนานๆ จะได้ทำประโยชน์ให้กับโลกต่อไปทำประโยชน์ให้กับศ า, า, าสนาตัวสำคัญก็คือศาสนาเนี่ยพระอรหันต์ทุกลูกนี่ท่านเคารพศาสนามากท่านรักศาสนามากท่านอยากให้ศาสนาอยู่ต่อไปนานๆท่านถึงยอมทนทุกข์กับการแบกขันไปทั้งๆที่ท่านไม่มีความจำเป็นจะต้องแบกอีกต่อไปแตก็แบกมันไปเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นที่จะได้รับจากการมีพระพุทธศาสนา มาเป็นล่มโพ ล, ล่มใสคำถามจากผู้ฝากถามผมทํางานที่ทํางานเจ้านายชอบทําบุญทําทานปฏิบัติธรรมแต่ไม่เคยฟังใครเอาความคิดเห็นตัวเองเป็นใหญ่แบบนี้เราควรทําอย่างไรครับเขาเป็นเจ้านายเราก็ต้องยอมเขาเลยจะทำยังไงเขาก็ยังมีกิเลสอยู่ไม่ใช่ว่าทําบุญทำทานแล้วกิเลสจะตายไปหมดไม่ใช่อ ก็อย่างน้อยเขายัางใจบุญอยู่ก็ยังดีเขาให้เงินเดือนเรามากขึ้นก็ควรจะดีใจก็ไม่ตัดเงินเดือนเราส่วนเขายังมีอัตราตัวตนอยู่นี่มันก็ยังเขยังไม่ได้เข้าขั้นภาวนายังไม่ได้เข้าขันานาขาข้นปัญญาเขาก็ยังมีอัตราตัวตนเธอตัวเป็นใหญ่อยู่ก็ต้องยอมเขาไปเราเป็นลูกน้องเขาก็ปล่อยเขาใหญ่ไปก็ เ, เท่านั้นเองคําถามจากคุณอธิพัฒน์ การฟังธรรมจาเป็นต้องนั่งสมาธิฟังไหมครับคือถ้านั่งนั่งสมาธิมันมีสองความหมายนั่งสมาธิแล้วก็ดูลมพุทโธไปหรือนั่งในฆาสัดขัดสมาดเนี่ย <Yeah. S 2> มันการฟังธรรมนี้ไม่ต้องพุทโธไม่ต้องดูลมใช้เสียงธรรมเป็นตัวอารมณ์แทนการดูลมการดูพุทโธดูการท่องพุทโธไปถ้านั่งนั่งแบบไหน ถ้านั่งขัดสมาดได้มันก็จะเป็นท่านั่งที่สบายถ้านั่งแล้วชำนานจะนั่งได้นานแล้วสบายกว่านั่งนั่งเก้าอี้นั่งห้อยเท้าอันนี้แต่ก็แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านไม่บังคับกันถ้านั่งขัดสมาดไม่ได้จะนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งเก้าอี้ไม่ได้จะนอนฟังก็ได้เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยลุกขึ้นมานั่งไม่ได้ก็นอนฟังไป การฟังธรรมเพื่อให้มีความสงบเพื่อให้มีปัญญาไม่ได้อยู่ขึ้นที่ท่านั่งของร่างกายร่างกายอยู่ท่านั่งก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้นอนก็ได้คําถามจากคุณสุบินการบรรลุธรรมแค่ฟังธรรมะของพระอาจารย์และนําไปปฏิบัติตามทําบุญให้ทานทุกวันก็สามารถหลุดพ้นตายไม่ต้องกลับมาเกิดอีกได้ไหมครับ ก็ลองทำดูเลยมันต้องทำถึงจะรู้ถ้าทำได้ครบมันก็ได้ถ้าทำยังไม่ครบมันก็ไม่ได้มันอยู่ที่การทำว่าเราทำครบหรือเปล่าเหมือนการไปทำข้อสอบเราตอบข้อสอบได้ครบทุกข้อหรือเปล่าถ้าครบเขาก็ให้คะแนนเต็มร้อยเขาก็ให้ผ่านได้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ต้องไปเพราะการก็ะทำของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนทำนิดเดียวบางคนทำมากอ บางคนทำได้ครบบางคนฟังทำแล้วก็บรรลุทำเลยก็มีบางคนฟังแล้วไปปฏิบัติแล้วกี่ปีกี่ชาติก็ยังไม่บรรลุสันทีเพราะนั้นมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเขาพูดเพียงแต่ว่าถ้าทำครบมันก็ได้ถ้ายังไม่ครบมันก็ยังไม่ได้หมดแล้วใช่ไหมโอเคหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา